พระธรรมเทศนาจาโดเครื่องหนักเ ข, ข่าคำพูกที่สิบสองเรียบเรียงโดยอินสมชัยชมพูปริรยธรรมหกประโยคนธธรรมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงไายนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมปุทธ h ấ t ะ ยักษคาราโซมาตตั้งอากาศเสนาเด็ตต้าโนรุกามะเนปันโทมาติรัญโยอาณาเขตังปัตโตตีสาธาโวดุราสะปุริจตั้งหลายตั้งยิงใจมวลหมู่จุงธาอยู่ดาฟังเจาดกยังไปแล้ว พระตนแก้วจริงเตศนาวาญยาคาราจสมา a ตตังดังนี้เป็นตนเอกาวเวดูราภิกคู่ทรงตนทารงสินใสบอส่อเศร้าเจือโกดเงาอริยา อ่านวายการราัาต้าใต้ริทที่ใหญ่ใจหันนำพระผู้บาลสมบตัตตราโดยอากาศปายบนข้ามไรส่สนเปล่าไม้ข้ามดอยใหญ่กีรีเสียงร้อยทีขึ้นรุงสายฟ้าปุ่งเรื่องไรจริงจักไปรอดไกล แดนเมืองใหญ่ปันธุมตินกคยักดงดอนยอดแยวจริ่งนำเต้าหอใจลงดงไผ่ปากกว้างตีจิมคางปุรีแล้วไขว่าตีเกาทอยสึ่งเต้าหยอดซอยราจาวาบัตินามารอดแดนเมืองยอดปันธุมตินกค อ๋อพระผู้ธอนเจ้าฟ้าจุงเตียวกว่าตามใจมีใจโจกใหญ่สมใจไฟพาธนามีเตจ่าแพ่กว้างภัยยางเตรียมตั้นยักดองตันหาเท้าก็อเก่าวเส้นเต้าผู้บ้าน ด้วยกำบานด้แลแล้วเอาไม่แสวายคำมีคุณนำบกักเต้าือแก่เจ้าปุรีไขว่ตีเล่าสู่เตา้าขีา้าว่าเสนนีนาผาเสิดตมีคุณเลิดเทือลายค่าสักยายแวดไก่ออกบอ่อใดตึบตันเอาเก่ามันปัดหวาดซึกก้อยกาดบำวาว เอาตั้งไปจี้ใสจะคืนใดเป็นคนควางไปบนอากาศฝนแรล่งขาดเจ็ดปีควางลงดาตีแม่น้ำน้ำแหง่งพัมตันตาจุงรักษาเบียดไว้อย่าหือใดไก่ตนยักไครสนก่าวแล้วกอลาเต้าตนแก้ว โสมาตตราจาขึ้นเวหาบจ้าปิ้งอายนาขึ้นหลังกอบิฮันแลนาโสปนาราจาส่วนพญ่สมมาตตราตกันว่ายักษ์เฮาหาดดงไพรลับตาไปไววาดโดยอากาศไปบน ก็ถอยหุ่นกาผากออกมาจากดงนาพดออกมาไปนอกถึงข้างขอกปุรีหอเฮือนมีบ่น้อยยายอย่าถอยตามตางเจ้าออกวางยศใหญ่ก้อยเตียวไตไก่กาเข้าปาราแต่ต้องถึงรอห้องไปไหนคนมีไหนเป็นหมูจุมลุมอยู่ลวงาล แสงพันภายเขาจอดสองหูสอดดาฟังย้อนใจวังไขรหู ว, ว่าแม่นลางกินกูตเตวีกับสายปุรีนอน้อยบอกาดก้อยหายหอนยังเป็นคนตั้งกู่บัดนี้อยู่แดนใดเขาเตีงยงไครต้านกาวหูขาวขี่ห้า ก้นเขาโบกจากก้าวถอยถึงยอดซอยจอมควันเจ้าห่อจันยอดเงาก่อแสงเก่าวอุบายถามคนไหลายจู่ฟูเขาก็อู้ไข่ปั่นว่าบอกเกยหันหูเข่าวถึงตาต้าแดนไก่เจ้าหอใจเดี่ยวต่ออุบายล่อจะถาม คนเรียวร่ามน้อยใหญ่อันเตี้ยวไตไปมาตามบักกาก้องกาดมีละลาดนันนำบ่อสมกำมไปห้อยคนใหญ่น้อยยิ่งใจมีหลวงลายเผาผู้เข้ า, ขาบ่อหูสักคนเต้ากอหุนปิ๊กปอกแสอ่วซอซอกเตี้ยวไปคำตีในนอนหัน แจ้งแล้วดันเตียวจอนเข้าไงต้นบ่อไรขอกินได้ข้าวปันเจ้าหอจันยดใหญ่วิบากไล่ตกผ่านเอวขอตานเลี่ยงตองเตียวไข่หองปุรีบ่อหันมีไผยอู้คือได้หูขีนากไก่กาลาภาคกอกไปจากเวียงใจ สอดไปจะใจเมืองน้อยใหญ่มีลายเต้าพันภัยไปรอดก่อสอดจะทมด้วยกำงามไขด่ดาบ่อหูเขาเด่นใดก่อนหีไปไปนาตนเจ้าฟ้าสมมตัต ร, ราชเอลเสาแหว่งหาลูกเต้าและ น, นังดอนเนาเทวี คำถาดนี้น้อยใหญ่นับอันได้ปีปลายจริงพันภายไปรอดเมืองแก้วญยอดป่าตาลิบุตรนากรกอมีหันแลนะนา <c oughs> โสราชันว่าภาญยาสมมตตราดยอดใหญ่กันไปรอดไกลป่าตาลิบุตรนกรเต้าผู้ทอนหิวหอดจริงเข้าจอดศาลา อันเขาดาแต่งไว้ตีต่างไขุ่มกันเฮอคนผันเตี้ยวต้องมาจากห้องแดนไก่หรือคนใดหิวหอดเขายังจอดเสาแรงเต้าจอมแป้งสมบตัตตรากันย่าย่บาดไก่กาเข้าศาลาเศร้าอยู่ กำจุโม่คนลายพ่องดอนย้ายเป็นแหลพ่องนั่งแอบอิงฟ้าต่างใครจากเกา้อยมีบ่้นยไหลผักกาลพระผู้บานยอดเหยาได้หูขาวนาหน้าเต้าแสงจากเกาเปืือหือใบว่าตันตั้งไหลมวลมากได้มาจากแดนใด โอ้ก็ใครบอกกาวหื้อข่าวตามีพ่องอยู่ปุริแต่ต้องคงเขตห้องมีทีลาพ้องอยู่จำป่าเมืองใหญ่หนุนตางไตเงาวไกพ่องอยู่เวียงใจผาเต็ดแดนดาวเขตปาราณสีจุมคนมีหลายหลากอันมาจากแดนไกล ต่างจากใครก่าูหือเต้โจูภาการก็มีหันและนะอาถรในกาละนั้นพญาสมมตต ร, ราเตจอจะสิงสาเคยเป็นพญานยศใหญ่ภาพเสียงไข่ปาราณสี ฟังวาตีเข่าเกาไข่หูเข่าวยาวไปจริงจะไข่เ ก, กาทอยด้วยกำอ่อนอ้อยอุบายว่าตันตั้งลหลมุนมากอันมาจากปารณาณีคงปุรีนั้นเหล่าไพเป็นเจ้าธรงเมืองไพบอกเครื่องห่อนไม่สุขบานไข่เวียงใจ โอนมาลไผยใหญ่น้อยบ่อจองหอยเบียนขี้จารื้วันตินันปอก้าไกต่างดาวก็ต้านเก่าตามมีว่าเมืองปลาระนาีนั่นใสตั้งแต่ไทยเดิมมามีพญาตนอง์อาจจื้อสมมาตราดบุญเรือง เสวยเมืองผาบดาวเอาน้องเต้าเป็นอุปราชาเอาเสนาผู้ใหญ่ตั้งใส่ไว้เตรียมใจเสนาในนั้นเล่าใจบาปเศร้าป่าลายกอุปราชาน้องเต้าขึ้นผาบดาวแตนเมืองฮื้อโยทาเรื่องถอยไรยับเต้าไทยสมตัดราชา กับจ่ายอหยอดซอยและลูกน้อยใสยใจใส่แปะไหลลอยหล่องไปตามต้องกงกาหึงเบื่นมาแต่ใส่นับอ่านได้หลายปีเจ้าปุรีไผน้นยอยังไผ่หอยคนิงหาหยอนพาญาต้นไม่บ่อต้วยไตตามทำคนน่านำไผ่ไตร้อนเดือดไมคืนวัน เจ้าหอจันสมตัตตราดฟังถ้อยวาดเข้าจาทาริโกสกาโสเ้าว่าอินดูเจ้าห่อใจเตียงตายไปมวยมงังกางแมกวางวังบนกันว่าตนแห่งข้าบอกความนาเร็วปันจักภายพันไตเต่าไปพอเจ้าห่อคำ อันทำบาใบหืหันไข่กับตาแจ้งลนะาตาได้กาลนันไซปอกะใหญ่หลายคนอันเที่ยวหนเที่ยวต้องมาจากห้องจำปาก็ไข่จาต้านเก่า ข่าวตามมีว่าเหมือนหลายปีแต่เหล่าคนหนุ่มเทายิงใจมีลวงหลายมากผู้ใดเหล่าถึงหูว่าเต้าบุญโจกาลวันนาราเจ้าภาษศาสัมปาได้นางโส้าหนุ่มเน่าจากเขื่อนเทาผ่านไย ย้อนผ่านไปสอดป่าเปื่อสซลากวางทารายไปปะชมชยัยยอดซอยผ่านเท้าถอยปามาสู่เกฮาติโยคนเหล่าอูนันเนืองว่านางบุญเรื่องยอดเน่นเาเป็นเทวีเต้าสมมตตราจา มีลักขณาผาเสดงามลำเลิดเหลือคนดังดังบนฝากฝ้าลงแหลงลาลงดินพระผู้มินกาละวันนาราเจ้าภาสาตย์จำปาจริงเหือเสนาเป็นใจนำมาไว้หอใจย้อนมมยใจใครใดเอานางนอไทยชมสีเป็นเทวีปังาย นั่งซ้อนใต้สะเวยเมืองนั่งบุญเรื่องยอดซอยตุกจองหอยเววาเต้าจำปายอดใหญ่จริงแต่งใจวางปันือนั่งกำนัน่มเทาไปแวดเฝ้าเป็นปริวานกันพระผูบานเข้ากจนางดาไทยยำได้ร้อนเป็นไฟโบเหือด เต้าไม่เดือดนาํำจริงกะต้โตดใหญ่ยับนางใสกังก้าเฮเสนาอยู่เฝ้าตุกคำเจ้าคืนวันนางจอมวันรอไทยตุกเอาไม่เครื่องขีบบออาจนีลาภาคออกไปจากไปในเขาเล่าไข่ดังนี้ตู่จริงจี้ตามํำและนะ่นา ต่างสดตว์ผาญสมมตตราษฟังโอกาสกำจาแห่งเจ้าจำปาแขวนกว้างหากเกาอ้างไข่ปันใจเป็นควันเอาไหมดังเอาไตไฟล้นกึดเววลนดันสอดอินดูย่อเตวีแสงจอดีทำเข่าวถึงตันเต้าเสวยเมือง ว่าเต้าบุญเรืองยศใหญ่ภาพแขวนไตจำปามีเตจ้าองอาจจบชาลาดสันได้บีหอระไถยถอยจ้ากรมปากาจาหานหรือจาวานจุเมื่อใจไฟเอือต่างทาหรือมัวดำมืดเศ้าคนหนุ่มเทายิงใจไพ่ราดลายม้วนหมู สุกตุกโยสันได้เขาก็ใครบอกกล่าวหือห้อเขาต่ำมีว่าเจ้าปุรีตูข้ามีเตจากาเส็งซามีมนยาสักศาสไัยบ่าอาจเอาตายสัรถูลายแวดไก้เต้าผาับใดบัดเดียวมีเจริงเร็วกาแก้น งกเต็นแล่นเร็วปันอาจพัดพันไหววาดขึ้นอากาศปั่นวาดแล่นลงมาบอดจ้ า, จาอาจต่อตาปันแตงกำลังแข่งอาจอ่างอาจทักขอจ้างปังปายปืนย่าลายหอกดาบบอสาราผิวนังแป้งข้อคังใส่ไว้ก็ออกได้ตั้นใจ จุมคนใ้ไฟราดบ่ไม่มาดมองผ่านสุขสำราญจื่นจ้อยตั้งใหญ่น้อยยิ่งใจโจ้นมันภายหน่อยใหญ่บ่มาไกลบินควีเจ้าปุริสมมาติราชฟังถอยวาดกำจาอันเจ้าจำปาไข่กาวแสงจืนเยายวยินดีแล้วไขวาตีตันเหล่า ว่าต้าเป็นเจ้าเมืองโสริตที่ดูองอาจจบชาลาดเหลือคนกันส่หนปิกปอกไกวหน้าออกยำได้คาขอไปจอมพอเออหันต่อสายตาข้านีนาแต่เนิ่นเป็นคนขึ้นเดียวได้มีใจหมายเตียวไตพับแขวนไตจุมปูเพื่อพอดูน่อมเกา ไว้เต่าเจ้าทะรงกุลบังเอาบุญไปนางตัวข้าสดสสดีป่อกะมีมวลมากอันมาจากจำปาบ่อสังกาคกิดหัววาผู้เก่าอูจะใครเป็นเจ้าหอใจสมมติราษอันก้อยกาดเมืองมาจริงจักจ่าตอบเราว่าตัวแห่งเจ้าจักไป จุงตามใจจักกว่าจุมตัวคาตั้งลายจักผันภายปอกเต้าวันผูกเจ้าดีลีเจ้าปุริสมมติตราสฟังโอกาสกำงาม mm hmm. ก่อแสงธรรมที่ถอยมีบ่น้อยนาหนะเขาก่อจากเก่าเฮเต้าตามมีกอมีหันเลยนะ ปุนติวเศษในวันลุนและรุ่งสายฝ้าปุ่งขึ้นมาเจ้าจำปามวลมาก็ออกจากศาลาพ่องไก่กาไปก่อนพ่องอย่างย่ตนจอมลังพังลังดังมีกองสะนันห้องแดนไก่เจ้าห่อใจสมมตตราส อันก้อยกาดหอคคำภัยบ่อจำและหูเตี้ยวจอมูค้นลายพอเป็นทายเป็นท้อยมีบ่อน้อยถึงสาวมาดำขาวแดงกำมีฟ้อมพัมลายสีจุ่มวัวมีลายหลากจู่ตัวหาเกยตาง เสียงพางรางระรวนปูนดีมวนกันหูจุ้มคนดูฟ้องเอินปากร้องใครจ้าเ จ, จ้าจำปาปอก า, ากอตอบตาตามรารอิทธิหิวลายจอดยั่งบ่อฝ้าฟังสันได้ก่อยเดียวไปจะใจปนบ้านใหญ่เฮือนลาย พดไปไกลบ้านออกอันอยู่ขอกสีมะเข้าดงนาเทื่อนทองไปตามจ้องเกยเตี้ยวดันดงเขียวปากว้างเตี้ยวเลียบคางผ่าจันล่างเตื่อพันคำห้วยตาวันช่วยลงแรงจริงจักแปงปังจอดหื้หิวหอดไม่หาย กันยอมไงผูกเจ้าก่อไต่เต้าเที่ยวจอดังวันอ้อนจะใจนับอันใดเดือนปลายจริงพันภายไปรอด <c oughs> เหตุเมืองยอดจำปาเป็นสีมาข้างคอจนนบดนอกเพียงใจเจ้าจอมไ ต, ต้สมมตตราชกานนิ่งขวาดเล่งหัน ว่ากันกูพันจอมหมูเข้าไปสู่ปุรีจุมเข้ามีบ่อน้อยจักเก่าวถอยไปลายว่ามีคนใจต่างนาไยจอมก่าตัวมาญาติกาปีน้องมาสู่ห้องเฮือนเขาจักทำเราลายแลกกำเล่าแผยเย้าไปเนียวมีภัยอันใหญ่ บังเกิดได้ตัวมากวนรอราเดินจ้าก่อยเตียยกว่าเดียวได้เต้าบุญภายคือใไแสงมือไขหนาวไหนไข่กำไปบอกจ้าบอกบอกก้าจำปาว่าข้านี่นะขอจอดย้อนหิวหอดเลือแรงเตี้ยวบอกแข็งมือไข สู่ยาได้อะไรจุงจากไปก่อนนาคาจักกว่าเดียวได้กแอยพันภายใตเตาเตียงได้เข้าปาราเจ้าจำปาบวนหมูฟังเต้าอูไขปันเข้าปะกันว่าไกลูบสามไข่กาญายินคุณนาบ่อน้อยจริงเ่าทอยไข่กํา ว่าเหม็นอิดนำปวดเมื่อยเป็นเน็ดเหนื่อยเดือลายจักผันภัยบ่อรอดจุงจักจอดตามใจกันเขาไขเสียงขาดก่อโอกาสอำลารีบไกลกาไต่เตาเท า, าราบต่อเตายามแดงตาวันแดงห้อยย่อนดาลับมนเข่าเคี้ยว เขาจิงเตียไปรอดในห้องยอดบุรีจุมคนมีพอส่องเอิญปากร้องเรื่องนั้นต่างคนพันไปสู่ยังที่อยู่ภัมันเลยนะว่าพาดยาสมมาตัดยดยาวเกยภาพดาวเสวยเมืองเตจ่าเรื่องใจจ้ากันพอกล้าจำปาไปไกลตาสุดพอ ก็เตียวต่อตัว ไ, ไปบ่อเรียวไว้เฝ้าฟังก็แอจอดยังเป็นข้าวหนตางย้วบ่อน้อยแลพอก้อยสุดตาอันผางกาผาสาดแทงเต้าทิราชคุณเมืองรัฐจะมีเรื่องสองตองไปหอททองแดนไก่เจ้าห่อใจอขึ้นวาด ถึงภาษาเมืองตนใจเววนหมอนเ้าวานย้อนเป็นเจ้าปุรีจริงเครื่องขีเอาไมุ่กอยากไรเหลือลายตาพันภายเจ้าใจจริงรอดไกลเวียงใจตาวันใสกัดก้อยนกใหญ่น้อยจับก้อนพระผู้ทอนไปรอดเขาย่างจอดศาลา ริมมากกาตังต้งใจนอกเมืองใหญ่ปุรีก็มีหันและนาที่นี่จากวันนานาจะรอถึงเจ้ายอดเท ม, ม, มากุมารนอโปที่า น, นยอดยาวลัดด่านดาวดงรี ตามราศีบอกไว้เอาสื่อไตเป็นไมายเพื่อพันภายสาอสอดหายังยอดปิตาทั้งมานดาแม่ได้ตนแม่อันภาคแต่เมื่อ น, นานเจ้ากุมมอนบนใหญ่ดันป่าไม้ดงรีเตวดามีมวลหมู่กาอันอยู่ดงดอนยินอาวอนลายแล กึดใจแพ้คุณนาปากันมาแหวดเฝ้ารักสาเจ้าจอมท่านคุณสาวันอยู่ฝ้าบ่อได้จาลงมาขามอาสาป้าเจ้าลัดป้าเศ้าดงไพรเเร็วไว้ไปรอดถึงห้องยอดเมืองคนก็มีหันแลยนาะ วัดธังปะกาเซนโตสัทธ า, า, าสัทธาสัพพัญญูยอดซอยหันบาดทอยบาลีบทหลังมีไปแจง <c oughs> พระจิงแสงเตสะนวาวายยตาโพธิสัตโตมหาวเนวิจาริตวาดังนี้เป็นตน เอกเวดุราพิโคตั้งหลายอันเป็นสายอริยเจ้าโลกสิทธเก้าสัพัญญูอันบาเจ้าบุญจูหนอไทยสมปัญญานำลัดดงดําเถื่อนทองเปื่อปอครองปุริญาตาและมีเมื่อใดดังอัน ตาตาในกาละนันไสเตป่าไทยดงตันได้เล่งหันหนอเต้าลัดดานดาวดงไพรบ่อมีไพรเป็นเปือนบุญดันเถือนเดียวได้เยนียวอ้นตาไราใหญ่น้อยมาจองหอยเบียนขีเตว่าดามีจูดาว ต่างร้องเป่ากันมาแวดรักษาอยู่เฝ้าเปลือเจ้าสดส ด, ดีสัตว์ไร้มีหลายแหลอเวนแหว่ไปปันขุนสวรรค์บุญใหญ่หูแจง้งไขสัญญาวา่านอพุทธานุ่มเนานี่จากเจ้าระศรีลัดดงรีเถื่อนทอง เพื่อป่ครองเมืองคนแดนไพรสนปากกวางบอง่ออาจอ้างสังขยาไกา่ปลาราแต่สดไหลร้อยหยดเป็นไม้เจ้าผันพายเตียวสอดบ่ออาจรอดเรียวไว้วิบากไหนปางก่อนอันจักสนนำมาก่อจักดาเสียงขาดกวนกุราดลงไป น้ำใยใจดอกเต้าออกจากดาวดวงดอนถึงนาคอนกว้างใหญ่สมใจไฟเรียวปันหุนสวัสด์เกิดแล้วก็กาดแก้วลงมากับกาญ้าบอจ้าเป็นพรานป่าพราสนแสงเตียวหนมารอด ที่เจ้ายอดมูนีไข่กำดีต้านต่อว่าดูราเจ้าหน่อใจรำาักค่นางงามใจจ้าเจ้าจักว่าไปไหนเป็นสันใด้เตี้ยวเถื่อนบ่มีเปื่นพ่อสองพิดจากกองแบบเบาจนพ่อเท่าสอนไขว่าเดินดงไผไร้หมูแม่นไปสู่ตั้งตาย หรือใจใหมายใครได้ของเครื่องใจอันใดหรือลงไครเถื่อนทองบอกหูจ้องขึ้นหลังลุงขอฟังจุงเก่าวฮือหวข่าวตามมีหนอมูนีหนุ่มนาหันผ่านเทาดงนาเต้ยวพดมาต่อหน้าออกปากว่าจะทำ ด้วยคำงามลายแลเจ้าคืดแผ่สังกาวาสันได้จ้าดังอีแต่ก่อนกี่มื้อนานกูอยู่ดงดานป่าเศร้ากับตานเจ้าราศีเบื่นหลายปีแต่ใส่บ่หอนไดหันคนพลานไรสนหนุ่มเทาบ่หันเจ้ามากาย กูพันภายละภาคออกมาจากศาลาแห่งตาปัสสตันเจ้าแต่เมื่อเจ้ายามอ่อนถึงยามตอนมารอดเพอยได้สอดหันคนหรือยักเผยสนถวยจักกับเป็ดนาเป็นม้านอพุทธาหยดซอยก็ตอบถอยคำวาน คือนายพน า, านผู้เท่าหัวเงินเก้าตามีพานดงรีต้านต่อว่าแม่นเจ้าหน่อบุญ น, นาจักไกกาดันป่าเอาสือนาเป็นไม้เตียงจักตายหิวหอดบอ่อาตรอดเวียงใจย่ยอนตัง้งไก่ลิวโลดหลายรอยโยดสังขยา ลุงนีนาเตี้ยวไขหัวตั้งไตเรียวไว้ตั้งได้ไปกดโกงตั้งได้ลงตึบตันตั้งได้พันยินยากลุงนี่หากจบท้องแม่นลานปองไข่กว่ายาได้จ่าตววมาลุงจากป้าไปสู่ยังตี้อยู่เมืองคนปนไพรสนป่าไม่ รอดเมืองใหญ่วันเดียวพันดงเกี่ยวกาวขาดก่อดใหญ่บาทนำตังเจ้าบุญขวางนอลากอจอมกว่าไปปันเหตุขุสนสวรรค์ผ่านเทาบั้นโดนเข้าหัวใจเฮือนนอจอมไตน้อยหนาถ่ายเสียงขาดสังกาออกไก้การีเผาตวยหลั ง, งเต่าเมืองบนก็มีวันนั้นเลยนะ เนธิตังขีญาสังวั น, น, านานาวิเศษจาหองเหตนาเ ข, ข้าคำผูกสิบสองสองเต้าปองไตเตา้าจากป่าเสาดงนาคือคุณอินตาเจ้าฟ้ากับเปตนาเป็นพระ น, น, น้ำนอโปที่หานหยดยาว ลัดดันดาวดงดอนก้อยเตี้ยวจรดันสอดจากไปรอดเมืองใดก้อยฟังไปเติมแทงจักหูแจงปลายลูนก่อบังกลมสมเร็ตเสร็จแล้วเต่านี่ก่อแล